สำหรับตอบนนี้ขอบรุญาตท่านพุทธบริษัทตั้งใจฟังคำแนะนำเสี้ยเล็กน้อยความจริงวันนี้ก็เป็นเรื่องของคนได้แล้วเป็นส่วนมากาสาหรับคนที่ได้แล้วก็จะขอพูดก่อนคำว่าได้แล้วนี่ก็ขอให้ตั้งใจไว้ให้มันได้จริงๆ ทำมาได้จริงๆก็หมายความว่าต้องจําอารมณ์เดิมของเราคําว่าอารมณ์เดิมของเรานี่ก็หมายความว่าขนาดที่เราฝุกแล้วทําจิตแบบไหนมันเกียงได้ได้ทำมาได้แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันเรียนนึกว่าได้แล้วแล้วมันจะดีเลยเดีย ว, ว, าวาการฝึกเป็นการแนะนําเบื้องต้นเท่านั้น ให้รู้วิธีใช้จิตเอาจิตเข้าทำจิตให้มีอารมณ์เป็นทิพย์นั่นหมายความว่าจิตมีสมาธิเมื่อจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์แล้วก็สามารถรู้จาักการเคลื่อนจิตไปสู่พบ ต, ต่างๆเพราะนั้นว่าเป็นการนำให้รู้วิธีแล้วก็นำไปสู่พบ ต, ต่างๆตามควรหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่งนักปฏิบัติเอง ที่จะต้องไปยามสึกผลตนเองให้คล่ อ, คองอยู่เสมอไม่ใช่ว่าอะไรๆก็มาอยู่ที่ครูครูมีหน้ า, าที่แต่เพียงผู้บอกเมื่อบอกแล้วถ้าเราไม่จำแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะช่วยคนประเภทนี้ได้การที่จะทรงอารมณ์จิต ด, ดีหรือไม่ดีการไปคล่องหรือไม่คล่องมือจะสวา่าง ตามแบบเดิมในสมัยบรเวกับพระวิปท่านแนะนำแบบนี้ว่าถ้าวันไหนด้วยเวลาไหนสติที่เราทรงดีมากมีอารมณ์เยียกสงัดการสัมผัสอารมณ์ที่เป็นฟิปมีความข่องใสมีการคล่องตัวดีเวลาเมื่อเลิก้อสมาธิ ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งขยับตัวให้นั่งอยู่ตามแบบนั้นให้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูว่าวันนี้เรานั่งท่าไหนเรามือวางท่าไหนตั้งกายตรงขนาดไหนแล้วใช้อารมณ์ใจแบบไหนจึงมีกายตั้งตัวในการทรงสมาธิในการเคลื่อนจิตไสู่ภพต่างๆ ถ้าเราจำวิธีนั้นได้แล้วจำอาการการนั่งการวางมือก็การกําหนดจิตการโทนจิตในขอ้อในก้องตัวเวลาไหนก็ตามทําเวลาไหนจิตตั้งอยู่ระดับนั้นไป็นปกติมันก็ายได้ ท, ทันทีนี่เป็นวิธีที่รงเก่าจะต้องจำแล้วก็มาทําได้แล้วไม่จะเป็ลืมนะว่าทุกครั้ก็จะไปหาตัหาตัวหาโั กูไม่มีหน้าที่จะไปเห็นคนที่ไม่จำาดยพ้อย่างยิ่งจะต่อไปนี้กท็ทั้งใหม่และเกา่าทั้งใหม่และเก่าอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาสิ่งทุกตัวก่อนเรื่องสีนี่เปเรื่องใหญ่มากถ้าสิงของเราไม่บริสุทธิ์ สมาธิก็ไม่สงตัวถ้าบางเอื่นก็วันบางก่อสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ทรงสิ่งที่บริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะสิ้นลมปราณตั้งใจไว้ไดีย๋ยพอ ตัดสินเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานที่เราจะสายบริสุทธิ์ไม่มีความจําเป็นมากแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจที่ว่าเราจึงอย่ากังวลเรื่องอะไรทั้งหมดให้คําว่ากังวลความห่วงใยห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกของหลานห่วงพัวห่วงเมียห่วงซัมห่วงสินตัดหมดเวลานี้ไม่มีการห่วงอะไรทั้งหมด เราเป็นคนไม่มีห่วงเพราะเวลานี้ที่เรานั่งอยู่ที่นี่ถ้าอาจาเราจะห่วงอะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์การที่จะไปไม่ได้เห็นไม่ได้จิตเป็นมือก็ไอ้ตัวห่วงนี่ตัวหนึ่งที่มัเนเกิดขึดเราต้องตัดสินใจว่าเวลานี้เราอยู่กับธรรมะเราจะไม่มีอะไรที่นี่ห่วงแม้ว่าตัวของเรานี่มันจะตายก็เชิญ เราจะทรงธรรมะให้ทรงตัวอยู่เราจะรักษาธรรมะยิ่งกว่ารักษาชีวิตทันติคิดไปอย่างนี้นะแต่นอกจากนั้นก็มีรักษาโรงอีกจบบหนึ่งขณะที่เราภาวนาอยู่จงอย่าใช้ให้จิตมันเป็นทาสของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ไม่เป็นหนึ่งรับในรูปโดย เสียงรักกลิ่หอมรสอร่อยสัมผัดระหว่างเทศสองความโสดความพห็บาทสามความวงเนวายอ้อนนอนสี่อารมณ์ผู้สร้างดานำคาญห้ามีความสงสัยในผลการปฏิบัติสงสัยในคำสอนของตับาอาจารย์ือสงสัยในรงมตัวเอง อาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่หนึ่งเรตามช่าจิตเข้าไปค้องแล้วก็เอาไล่นี้กับท่าจิตเสี่ยงค้องอาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชาตินี้ทัานชายก็ไม่ได้เลยเพราะอาการห้าอย่างนี้เป็นอารมณ์เลวของจิตไม่ใช่อารมณ์ดีในวิธีที่เราจะชนะนี้วรรคก็คือว่าไม่สงสัยอะไรหมดไม่คิดแค่การห้าอย่าง แปลว่าเราจะทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนั่นคือรู้ลมหายใจเข้าใจออกแล้วคำภาวนาเวลา ใ, ใจเข้านึกวาา่านะมะเวลา ใ, ใจออกนึกวาาา่าภาทะต้องดึงอารมณ์ไว้ให้ดีคำว่านะมะภาทะนี่เป็นภาวนาจำกัดที่เราต้องใช้ในเวลานี้เพราะเราฝึกตปัญญาสมาบัติ ถ้าหากว่าจะถามว่าจะภารนาอย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าไม่เคเื่องวิญญาณก็ได้แต่จิตสงบถ้าเราอยากใช้อัติญาณสมาบัติความจริงอัิญาสมาบัติไม่มีวิธีปฏิบัติหลายสิบอย่างแต่ก็ได้ทบทวนอยู่เส ม, มอว่า อ, อย่างไหนจะแจ่มใสดีก็สู้นามาพธ า, าไม่ได้ จริงๆแต่มาปฏิบัติในหลายสิบแบบฉันไม่เคยแค่สิบแบบหรือยี่สิบแบบสามสิบแบบมากมากกว่านั้นมีวิธีปฏิบัติเยอะแต่หาสภาวะที่แจ่มใสจริงๆไม่เหมือนกับนามาพทาหนี่งนามาพทาจะแปลว่าอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจให้สนใจไว้อย่างเดียวเวลานี้เราให้ใจเข้านึกว่านามา ใ e e, so ้ใจออกไม่ว่าพระท่าเอาเท่านี้ว่าเท่านี้นะพอเนในใจเท่านี้ไม่ต้องไปคิดอะไรอทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะภาวนาอยู่ก็จะอยากรู้อย่าอยากคิดอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องการรู้เราไม่ต้องการคิดเราต้องการติดรู้จะพอนำใใจเข้าออกกับคำภาวนาถ้าขณะใดที่จิตรู้ลงในใจเข้าใจออกกับคำภาวนา แสดงว่าน่าอารมอื่นไม่สมสควรนั่นเป็นอริยิตธของเราเป็นฌานให้ได้ภาวนายอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องไมต้องไปจะเลอยากกินอย่ารู้ไม่มีให้จิตมาสงตัวในเวลาภาวนาก็ทําจิตสบายสบายอยาปล่อยอารม์ให้มันหนักยาปล่อยอารมณ์ให้มันเครียดจะให้มันสงบสบาย เมื่อการแช่รมอย่างนี้จะต้องแช่ลมแค่อุปจารสมาธิเรียกว่าภวนาเบาๆใจิตทรงเบาๆสบายๆเมื่อจิสบายก็แสดงว่าจิตตั้งในอุปจารสมาธิถ้าจิตตั้งในตอุปจารสมาธิอารมณ์จิตเป็นทิศในเมื่ออารมณ์จิตเป็นทิศเราก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิศได้ แต่เราก็จะได้ยินเสียงที่เป็นทิตได้ที่คำว่าเห็นในที่นี้ก็ขอทุกคนเข้าใจว่าคำว่าเห็นไม่ได้ใช้ดวงตาเราหลับตาเสร็จแล้วเราก็ไม่มีดวงตาม่เห็นอาการเห็นทั้งหมดแป่การเห็นจากจิตท่านจรงเรียกว่ามโนมิธิแปลว่ามีลิทางใจ ในการเห็นการรู้ทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตโดยตรงไม่มีลูกตาและก็ไม่มีหูการสัมผัสสื่อการันไม่มีหูสำหรับฟังแต่ว่าในการรู้ด้วยกำลังของจิตคุยกันก็คุยด้วยกำลังของจิตรู้ว่าคนนั้นผู้หญิงคนนี้ผู้ชายแต่งตัวเสียอะไรักสนางงเป็นไงเป็นการการรู้ของจิต อันนี้ต้องจำนะพูดไปแล้วก็ทุกคนต้องจำเมื่อถ้าไม่จำแล้วก็มันเป็นเรื่องของท่านคนสอนไม่มีหนา้าที่จะไปวิตกกองวลสอนแล้วไม่จำก็เป็นเรื่องของคนงคนนั้นไม่ใช่เรื่องครูบาอาจารย์เขาเข้าไปประคับประคองนั่งครูบาอาจารย์แข็งแค่คนทุกคนเพว่ า, าตายโนศิษยิ้เงเงินเป็พัน ก็ไม่มีอะไรแม้แต่พระเจ้าจึงบอว่าขาตารูแต่ขาคาตาแต่านพุทธะเป็นที่ของบอกแต่บอกแล้วไม่จําก็เรื่องท่านไม่จชเรื่องพระจ้านี่เป็นอันว่าการรับสัมผัสเป็นเอยของจิตจริลมจิตจนมีสมาธิมีสภาพเป็นที่ใ้การรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าจิตสัมผัสบางคนก็เลยถือเห็นได้เด่เลยให้เป็นนักปบวชก็ไม่เป็นไร ทั้งท่านจะเป็นนักลุกเป็นนักํานานที่ไม่จับ น, นี่ต่อสำหรับคนที่มานั่งอย่างนี้ก็ได้เลเกือบเจอหมดแล้วไม่เป็นไรก็มีที่ไม่เข้าใจบางทีก็ถือเข็นโดให้อดดีนั้นไม่มีใครเข้าว่าก็โรออดเอะะร็วอาจจะลืมยกว่าการรู้การเห็นทั้งหมดแก่รงของจิต ขอพูดสันส้นๆว่าสมมติว่าถ้าท่านทำสมาธิอยู่ไมได้อย่างรีกเวลานั้นเป็นสัญญาณบอกเวลาว่าเราหยุดหยุดจะไม่เดือิตาหยุดคำภาวนาทั้งหมดอยุการพิจารณาทั้งหมดทำจิตสบายววรักษาองค์จิตสบายเฉย แต่ก็มาใช้เฉยมันก็อดดิ้นไปด่าย่งดิ้นก็มาคับจิตไว้อันนี้ถ้าครูผู้ฝึกเขาถามว่าเวลานี้เห็นอะไรบ้างอันนี้ก็อารมณ์ของจิตจิตมันบอกมันลืมแล้วก็บอกไว้แล้วว่าการเห็นไม่ใช่หลูกตามันใช้อจิตอารมณ์รู้จิตมันบอกเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาเห็นคนจิตมันว่าอย่างนั้นเนีย ตอบตามควา ม, ามราู้สึกแรกทันทีในตอนต้นนะจิตก็เราทีสมาธิน้อยมันจะเป็นความรู้สึกมันเ้นไม่ขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างภาพเองมสาสร้างไม่ได้นะเป็นสมาธิพอจิตเคลื่อบถึงจุรามนีจิตจะเริ่มเป็นชานี่ว่าอะไรครับเป็นคนที่ดดนะจิตดื้อนะพอจิตถึงจุรามนีเริ่มเป็นชาในครู่ขาแนะการตัดทัห้า ถ้าขันห้าในตับได้จริงๆไม่ห่วงใหญ่คันห้าไม่มีความอะไรในร่างกายเราร่างกายคนีืตอนนั้นจิตเป็นทั้งฌานและเป็นทั้วิปัสนาญาณภาพเป็นเหมือนกับความรู้สึกเฉยๆมันจะรู้สึกกับมันเองเราคิดว่าจะเป็นภาพฝันและภาพไม่จริงไม่จริงอ่ะสแล้วมันเริ่มมีอาการชัดเจนแจ่มใสขออิ้นอารมจิตทิ้งนี่พานจริงๆ สันาตัดได้ชัดเจนจริงๆอีตอนนี้ภาพที่ิมันจะชัดใสสะอาดแจ่มใสขุทองจะรู้ไม่ได้สีสันมันล่าสุนไลแต่ตามสามารถจะรู้ได้ื่อการรู้แล้วแต่การปร์ของจิตให้เฉลียนของตาจะไม่ดีนะอาจารสอนที่นไปเราของบรรดาตนบริษัททันหลายโดยทนนาต่างายให้ตรงดำรงจิพให้มน กำหนดรู้ลำลงใม้ใจเขาอ่อนใจภาวนาวันะมาวันตาจงกว่าจะดีสิงสิริเป็นสัญญาบอกตอนนั้นอย่าเพิ่งเลิกหีืหลับตาทั้งอารมณ์ไม่เฉยเฉยเดี๋ยวภาวนาและพิจารณาเสียจงกว่าตัวผู้แนะนาจะเข้าไปในนัานกันก็ได้ท่านทนฟังคำและนำสักสิบนาทีเสจ สำหรับการปฏิบัติกับกรรมฐานแบบนี้ก็ตกหลักว่าใครถ้าใครกขมาถามว่าเจริสมถะหรือวิปัสสนาก็บอกว่าการเจริญมันกรรมฐานแบบนี้มีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบทวนมีทั้งศีลด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาญาณด้วยแล้วก็มีที่ประมีภาคเขามีชาสามและปัญญาพวกครบ เรื่องนี้ก็ผ่านไปอนนี้ขออนรดาตท่านผู้บริษัทหลายที่มาใหม่ที่ยังปฏิบัติไม่ได้โปรทราบวิธีการปฏิบัติาการเดินพระกรรมฐานแบบนี้ในตอนระยะตนเอาตอนนี้ก็แล้วกันตอนที่ฟังไปนี้ก็ฟังให้รู้เรื่องแล้วก็คิดตามไปด้วยลังปรงใจไปด้วยเสร็จ ให้ทุกคนพยายามตัดกันท่าตามในแห่มหาสิบถานนสูรที่พระบุตรเจ้าทรงตัดมหาสิบถานนสูตรจบข้อใดข้อหนึ่งตอนลงท้ายส่ยวดใหญ่ทุกสมม า, า, าสัะภิตรเจ้าก็ทรงตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในแล้วก็อย่าสนใจกายภายนอก และจงอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดในโลกนี้คาว่าไม่สนใจเพราะว่าร่างกายนี้ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในการเจรินและกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงจบอรหันต์เขาปฏิบัติก็ข้อเดียวเท่านี้ถ้าจิตของเราดี ก็สามารถจะทรงชาญโลกีได้ดีก็ไม่ใหม่หน่อยปฏิบัติข้อเดียวขเาาข า, า, ข า, า, าเป็นพระโสดาบีทาคารามาคาได้มาทึงพระรหันเมื่อบรุษเป็นพระรหันแล้วก็ยังใช้อยู่ข้อนี้จะเรียกว่าสากายาทิฏฐิเป็นตัวต้นของทงั้งโยติทั้นโยติประการอันนี้นะอ้วอน้ใครจายจะใครขึข้นมาออกขึ้นมาได้นะ การโยกสิธธ่ประการนี้ก็ไต่ข้อเดียวแล้วตัดจากข้อข้อนี้ชื่อส ก, กายญาติทิพถาเราไต่ข้อนี้ได้ท่าได้อย่างเบาเราก็เป็นประโศดดาบันได้อย่างกลางแล้วก็เป็นพระนาคาารีได้อย่างดีแล้วก็เป็นพระส า, า, า, ารแต่ ก, กายญาติทิศมีอะไรชื่อว่าถ้าดูร่างกายของเราแม้แต่ร่างกายเขาก็คนนึ่ก็ไม่กัน ดูกขลืมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในะชอบ ล, ลืมจากวัดก็่ลืมกัว่าคนตายจากความเป็นคนถ้าสร้างความดีที่พึงประสงไว้อย่างเรวที่สุดก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งมีจิตะอารความการความชั่วเต็มตัว ค, ความชั่วในขณะที่จะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดา ในขณะที่จะตายจิตตรงชายก็เกิดเป็นงลมในที่สุดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะตายผิดใส่กันข้าในเด็กขาดในใหัวใจในกันข้าก็เป็นแบบเสียพรหันไปนิทานแต่ว่าถ้าจิตตั้งใดของบุคคลใดพบกิดความชั่วตายแล้วก็ไปแล้วออาขึ้นมาได้ทำไมัมื่อไหร่เป็นอนุ <c oughs> นว่าเมื่อฟังเขาพูดแบบนี้แล้วเราก็น่าคิดหาความจริง ว่าคนที่ตายทุกคนเนี่ยท่านบอกว่าไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างเป็นอรหันตะนิพพานบ้างแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตวรร์รุกบ้างเปรตบ้างเสือกายบ้างสัตว์นิรันดร์บ้างทั้งหมดนี้มีใครเอาร่างกายที่ดุริยางค์ น, นี้เป็นข้อคิด ว่าคนที่ตายต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นชั่ววดาเลยฮะมันั่งหลังก็ไดหลังบ้างมันนั่งหลังก็ไดทั้งหมดเลยหลังว่างพอถ้าอมีใครเวลาตายแล้วก็แบบร่างกายไปนรกไปสวรรค์ไปเกิดใหม่หรือเปล่าก็เป็นอารมณ์เล่าทั้งสิง้นตายคนตายอะไรที่ร่างกายให้ผม่พื้นแผ่นดินให้รบเขาบ้างให้เราบฝังบ้าง เพียงแค่นี้ถ้าใช่เราใช้ปัญญานิดเดียวก็จะเาื่อรู้ได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะผูกพันอยู่ในมันถ้าเราไปผูก พ, พันอยู่ในร่างกายประเภทนี้เราก็าดีไม่ได้ถ้าเราไม่ผูกพันเราทํทำยังไงนี่เมื่ข้ามหลังเลยนะนี่เมื่อร่างกายนี้เป็นเราเป็นพองเราเราคิดไมาอย่างนั้นกำลังเรื่องมันถึงคมเลยนะ ก็ต้องรู้ว่าร้างกายที่เราไม่ใช่เราไม่เชอเราเพราะว่าถ้ามันจะแก่เราไม่อยากแก่เราห้ามแก่ได้ไหมถ้ามันจะป่วยถ้าเราไม่อยากป่วยน้ำมันคงใจเราไม่อยากป่วยเราห้ามมันจะป่วยเราห้ามความป่วยได้ไหมถ้าถึงเวลาจะตายเราไม่อยากจะตายเราห้ามการตายได้ไหมด้วยนันแล้วว่าเราก็ห้ามไม่ได้ ในเมื่อเราฆ่าไม่ได้ก็แสดงวาร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของเราเวลาตายแล้วแทนที่เราจะไปสวรรค์ไปโลกเราเราก็โงงงร่างกายนี้เกบแยกแต่ว่าแทนที่ร่างกายจะไปด้วยมันก็ไม่ไปนี่คิดเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันอันนี้ที่พระทพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าสนใจร่างกายเราร่างกายคนอื่น ไอ้ร่างกายของเราคนดีร่างกายขเขาคนอื่นก็ดีมันก็ไม่มีสาระไม่มีแก่รสารแบบเดียวกันมันไม่ใช่ร่างกายของเขามันไม่ใช่ร่างกายของเรามันจะเพียงเปลือกที่อบใส่ข้อจิตเท่านั้นเราจริงๆก็คือจิตวันนี้เราก็มาฝึกกันก็จะได้รู้ว่าไอ้คําว่าเราจริงไหมมันเป็นร่างกายหรือเปล่าจะรู้หรือไม่รู้ก็เฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติได้ เวลาที่เราเ้านําเราไปสู่ดาวดึงชินพฤุลามุนีเจดียสถานก็ดีไปเที่ยวในแดนสว่คงก็ดีไปเที่ยวแดนทรมก็ดีไปเที่ยวคณิภัยก็ดีเมื่อไปในรกก็ดีไปสู่แดนใบก็ดีเวลาที่เราไปนั้นเอากายก็ไปดูรกางหรือเราจำประไปแต่เราแตของจิตไอ้ตัวไปนี่มันตัวเราคือจิตที่เราเรียกไาจิต ที่ท่ากล่าวว่าเป็นดวงในความจริงไม่จริงมันก็เป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกชมาอธิสมาในกายก็เป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ที่ยตาเปลา่าอ <c oughs> จะเป็นกายที่จะต้องเห็นได้ด้อารมณ์ความเป็นทิพย์ถ้าคนที่ไม่สามารถจะสร้างอารมณ์ปเป็นทิพย์ได้ก็ต้องดูเวลาฝันเวลานอนแล้วก็ฝันก็ไปโน่นไปนี่นั่นแหละเราแน่หละเวลาฝันเราตัวไปได้หรือเปล่า ความเมื่อกายเราก็ดีกายเขง ค, คนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีในโลกนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทงตัวใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเด็กแล้วก็หนุ่มหนุ่มสาวแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายอันเมื่อในเป็นอนิจจังไม่มีความเที่ยงเราไม่จะ ด, ดึงมันไว้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราฝืนมันก็มีลงไปทุกข์ ถึแม้ว่าเราไม่ฝืนถ้าจิตไปเกาะกายวมื่อไปเราเป็นของเราใจมันก็เป็นทุกข์แต่จะทุกข์ขนาดไหนก็ตามในสดแล้วก็ผ่านนี่ที่พระพุทธเจ้าให้ทรงยึดหมายความถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเอาใจเขไปยอมรับแนละถือเป็นกฎธรรมดาเสียธรรมด า, ม ไ, า ไ, ไม่เป็ยังไงมันมีความเกิดขึ้นในเรื่องตน มีความแปรปรวนเป็นกลางแล้วก็พังในที่สุดแอาการอย่างไรมันมาถึงเราเมืาไร่ปีนี้เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้เรห้ามปราบมันไม่ได้ในที<อ>่สุดองไรก็จะตายก็ตายแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายไม่มีความหมายมีแต่ความสกปรกมีแต่ทุกข์ในที่สุดทังก็ถ้าเรายังโง่หลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ต้องเกิดอีก ความเกิดเราเป็นทุกข์เกิดกีริามชัก็เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องกาความเกิดเราต้องการผลิคภัณฑ์แต่ว่าถะาคิดร่างก า, ายไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทอดทิ้งมันเสยเลยขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ตกทิ้งข้าวตล่คมต้อใช้ยารักษาโรคหรือการนะครับพิจารณาเป็นธรรมดาที่อันดับต้นนะที่จินตนานแบบนี้นะและตอบเรนนี่เป็นตัวคณะที่ปฏิบัติ ในขณะที่ปฏิบัตินี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามกําหนดรู้ลมไม่ใจเข้าหาใจออกแต่มันลมหายใจเข้าหาใจออกให้ใจธรรมดาเนะยาไปฝืนแยาไปเร่งรัดถ้ามันเบาถ้ามันแรงมันยาวถ้ามันสัน้นให้ทําไปตามปกติลอยลมหายใจจนเป็นธรรมดาธรรดานั่งจิตเข้าไปรู้ว่าเวลานี้หาใจเข้าหรือว่าเวลานี้หาใจออก เวลานั้นกวบคู่ไปเราคำภาวนาวัณมะปคะพตากำดให้ลมหายใจสบายทำใจให้เป็นสุขอยา่าฝืนอาการมันเกินไปทำให้จิตเป็นสุขมีความรู้สึกว่าภาวน า, านัมะคคัพกับลมหายใจเขาออกได้มีความสบายขณะที่ภาวนาอยู่นี่ก็จงอย่าคิดว่าอยากเหริอะไรหรอยากจะรู้อะไรนี่เป็นจุดหนึ่ง เวลาที่มีมีครูผู้เข้าไปสอนวิชาแบบนี้ต้องใช้ครูมากแตาคนมากก็ใช้ครูมากเพราะว่าแต่ถึนปล่อยทำกันเองสามสิบปียังไม่ไดีตรงไหนถ้าแนะนำมีคนเข้าไปแนะนำตอนนั้นต้องวางใจจะทาภาวนาและพิจรารณาเสีย ห, หมดทำใจสบายอยู่จุดเดียวถ้ายังไม่เข้ามาถึงเราล้วก็เล็ถึง ภาของค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระรูปของค์ใองหนึ่งก็ได้ทำใจให้เป็นสุขทำมรรคสบายฟังคำเขาถามอันดับแรกครูโู้สอบแนะนำเข้าไปแนะนำแบบไหนทำใจไปตามนั้นแล้วก็จงรู้ไว้ดว่าการฝึกอันดับแรกนี้เรายังไม่ใช่พระหัต์กันถ้าท่านดื้อไม่มีหวัง แล้วที่เลยที่จะใครเขาทคทยไทยดื้อที่นี่เขาก็ไม่คบคนดื้อมือนกันเขาจะไม่สนใจท่านเลยพราวิธีการปฏิบัตินี่เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่แต่ผลดีมากเด็กๆนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ตัวเล็ ก, ลกๆใต้ค้องแต่หมดจริงแค่มาวันเดียวเขาก็ทำได้เพราะมีอารมณ์ไม่ดือารมณ์ดื้อก็คืว่าคำว่าทิฏปยุปยา น, นานี่เขาไม่ได้อนุุปตาไม่ใช่ดกตาเป็นทิฏ มีความรู้สึกทางใจเป็นทิศมีความรู้ทางใจคล้ายกับตาทิตมันรู้มีอารมณ์รู้คล้ายๆกับเรามาที่นี่บ้านเราอยู่ที่ไหนบ้านเรารูล่างลักษณะเป็นยังไงทางสีอะไรบันไดลงคิดไหนของอะไรเก็บไปไหนนี่เรารู้ <c oughs> เรารู้แค่หน้ า, า, าตาเราไปเห็นที่เป็นข้อเรียบเทียบแต่ความจริงมันไม่ได้เห็น เพื่อสำนับใหม่ๆท่านที่มีอารมณ์ยังไม่ถึงพระสิทธาคามีจะสังเกต ด, ดูได้ว่าคนใดถ้ามีอารมณ์เข้าถึงพระสิทธาคารมีเพอยยังไม่ถึงแต่ว่าจิตของเขาเนี่ยต้องถึงสิทธาคารมีแน่ในายามมจิวันตัว น, นี้เราเข้าไปสอบจำโมอยู่นิดหนึ่งอระเดี๋ยวเดียวจะเห็นภาคเจตชัดเดจนแจ่มใสบอกได้ถูกต้องก็การเคลื่อนไปในที่ต่างๆคลองแคล่วนี่ไม่อยู่ที่เรานะ การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาถาตาโรตาถาคตาตาถาก็เป็นเรียงผู้บอกเนี่ยจะมาก็เป็นเรียงผู้บอกตอนนั้นต้องวางอารมณ์ให้มันถูกแล้วก็สร้างความเข้าใจด้วยเพื่งความว่าถ้าการฝึกที่ใดถ้าไม่เชื่อบุคคลผู้ฝึกบุคคลฝึกก็ต้องไม่สนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่ไม่ได้รับจ้างฝึก เพื่อให้เมตตาในความปรารถนาดีในบุคคลที่ต้องกายความดีที่ท่านทํามาจากที่ไหนได้ก็ตามท่านต้องวางสว้ก่อนอย่าเสีว่าฉันเคยทํามาอย่างนี้ฉัเคยทํามาอย่างนั้นก็ต้องกลับไปอยู่ที่นั่นแหละที่นี่ก็ฝึกกันอย่างนี้ก็ต้องว่ากันตามนี้ราชการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกกับปัญญาไม่ใช่กรรมฐานปกติคําว่าปัญญานีจะมารู้ยิ่ง ถ้าม่ได้บอกว่าเห็นยิ่งรู้ยิ่งรู้เกินกว่าคนธรรมดารู้เมื่อตั้งแต่นิพพานลงมาถึงอเวจีมหานรกก็จะมีความความรู้นี่แหละและจิตเรบริสุทธิ์มากขึ้นแล้ววิกลายเป็นเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นจริงทีแรกมันต้องรู้ยิ่งก่อนจิตสัมผัสจิตบอกวอย่างนั้นจิตบอกว่อย่างนี้ ิตมีความรู้สึกไปอย่างไรเขาถามมาเห็นพระพุทธเจตนึกมาเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราไหมความรู้สึกเขาจิตเราไปอนูแล้วก็ตอบทันทีจะใช่อารมณ์ที่สองว่าจิตเราไปอยู่แล้วถามว่าท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเครื่องเสียอะไรคนหนึ่งบอกกระีเหลืองคขารู้สึกบอกกรเหลืยวก็เหลียวตอนนี้คนที่นั่งข้างๆมีความรู้สึกเอ๊พระพุทธเจ้าหนุ่าที่แดงนี่ถา้าเขาไปถามเราเราก็บอกแดง เหลืองก็เหลืองแดงก็แดงเพราะอะไ ร, ร, ะ ร, รทั้งนีพระเทวทวารผมก็ยอมเปลี่ยนสีสลับบางครัง้งท่านเราเปลี่ยนจะเห็นว่าบคุคคลใด จ, จะมีอารมณ์เผื่อท่านเปลี่ยนถ้าไม่มีอารมณ์เผื่อท่านไม่เปลี่ยนเพราะจำไม่ตามนี้ก็แล้วกันนะเป็นะนั้นว่าต่อที่นี้ไปขอรบรรดาลพระพุทธบริษัททุกท่านตังกายให้ตรงตั้งวอจิตให้มัน กำหนรูนล้ลงให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาว่านามัทะเจอกว่าจะถึงเวลาที่เจลาที่ไปสอนที่เาไปสอบสอบซักให้ ส, สอบนม